ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องอย่าสักแค่ว่ารู้โดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่31พฤษภาคม2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เวลาไปอะไรอ่ะเรามีจัดงานหรือว่าบางทีเราไปจัดนิทรรศการอะไรที่ไหนเนี่ยบางทีเราจะมีอะไรอ่ะมีสมณะไปนั่งะนะอย่างเช่นจัดที่รามแต่สมัยก่อนเราเคยมีที่ธรรมศาสตร์ที่อะไรพวกนี้ก็มีจัดสิ่งหนึ่งที่จะทําให้พวกนักศึกษาเนี่ยเขาเข้าใจ ดีมากๆก็คือให้เขามาคุยมาถามอ่ะเพราะว่าเขาสงสัยอะไรเนี่ยเ็าจะถามได้อย่างชนิดที่เรียกว่าตรงประเด็นที่เขาต้องการแต่ถ้าสมมุติว่ามาฟังเทศไท้ฟังพูดไท้ฟังไปนะพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะเหมือนกับอาตมานี่พกมาแต่ปากพวกคุณก็พกมาแต่หู คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางทีอาตมาก็พูดไปเรื่อยตามที่มันนึกอะไรได้ก็พูดไปซึ่งบางทีก็ไม่ไม่ตรงกับความต้องการของใจเราเองเพราะบางทีมันก็มีเรื่องที่อยากจะถามแต่ก็ไม่ได้ถามนอกจากว่าบังเอิญบังเอิญอาตมาพูดไปแล้วก็เออไปตรงกับที่คุณกำลังอยากจะถามพอดี พ่อท่านยังเคยพูดเลยว่าเวลาเทศน์นี่ท่านจะเทศรวมไปหมดเลยนะใครเก็บเกี่ยวได้ขนาดไหนก็เอาไปแต่ถ้าสักถามนี่ไม่เหมือนกันเลยนะการซักถามเนี่ยช่วยทำให้คนนั้นฉลาดแต่ระวังอย่าถามมากเกินเท่านั้นแหละถามมากเกินไปก็เดี๋ยวคนอื่นบันไสได้เหมือนกัน ขนาดว่าบางทีเนี่ยพ่อท่านเทศสมมณาถามบ่อยมากไปกับางทีโยมยังหงุดหงิดได้เหมือนกันนแต่ว่าการถามเนี่ยทำให้คนนั้นฉลาดแน่นอนเพราะว่ามันทำให้สิ้นสงสัยได้ยิ่งผู้ตอบสามารถตอบได้ชัดเจนตอบได้ตามที่แบบว่าเราฟังแล้วเราเข้าใจโอ้มันจะคลายวิจิกิชชา มันจะคลายความสงสัยอะไรล ง, ลงไปได้เยอะเลยไม่งั้นหลายคนนะบางทีฟังฟังไปเนี่ยยิ่งไม่ได้เอาไปเขาเรียกว่าไม่ได้เอาไปพิจารณาไม่ได้เอาไปกั่นกรองให้เป็นอะไรอะ่ะเป็นชีวิตประจําวันของตัวเองอะ่ะเอาไปใช้ได้เนี่ยคุณฟังมาแล้วลนะ่ะอาตมาบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคุณก็ก็ลืมไปแล้ว บางคนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องหลายวันหรอกฟังจบเนี่ยแล้วก็ถามเท่านั้นแหละบางทียังไปแล้วพอจบเสร็จก็จบกันแต่ว่ามันได้เข้าใจอะนะบางคนก็ได้เข้าใจแต่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็อยู่แต่ในใจนะั้นจริงๆด้วยบางทีไม่ไดเอามาใช้เป็นอะไรอะ่ะเป็น แขนเป็นขาเป็นมือเป็นเท้าอะไรเงี้ยไม่ได้มาใช้คือคือมันมันฟังแล้วมันเอาไปเป็นแค่ความรู้ฟังแล้วได้เป็นแค่ความรู้แต่ยังไม่ได้ถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นปรมาติตเป็นเป็นความรู้ที่เราเนี่ยสามารถทำได้จริงๆแล้วแต่มันเป็นความรู้ที่รู้จริงๆ ได้แต่รู้โดยที่ยังไม่สามารถเอาไปกลั่นเอาไปกรองเอาไปเป็นพฤติกรรมของเราเองได้มันยังยังไม่สามารถเอาไปเป็นอย่างนั้นมันไปสังเกตดูบางคนเนี่ยยิ่งอ่านหนังสือมากอ่านตำรามากหรือว่าฟังคนพูดมากโอ้โหความรู้เยอะเลยเยอะมากแต่ระวังว่ามันเป็นความรู้ที่อะไรอะ ศักแต่ว่ารู้ไปอย่างนั้นน่ะโดยที่พฤติกรรมจริงๆหรือว่าเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองจริงเนี่ยไม่สามารถเอาความรู้นั้นมามาใช้ในชีวิตประจาวันของตัวเองได้คือถ้าอย่างเงี้ยเขาถือว่าศักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเองก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดมรรคผลอะไรเพราะคนนั้นไม่ไม่ได้สามารถที่จะไปใช้กับชีวิตจริงๆได้ บางทีเนี่ยอาตมาถามตอนนี้บางคนก็ตอบได้แต่พอในชีวิตจริงๆไม่ได้ไปทำถามว่าโกรธ ด, ดีไหมไม่ดีะนะโกรธแล้วเนี่ยมันทั้งหยาบคายทั้งรุนแรงทั้งก้าวร้าวทั้งอึดอัดขาดเคื่งทั้งทรมานรู้แต่โกรธอยู่เรื่อยกอ็โ <c oughs> กรธอยู่เรื่อยอโอ คืออันเนี้ยอัตมาเคยพูดให้พวกเราฟังบ่อยว่าอย่างเงี้ยมันแหมไม่อยากบอกว่ารู้เลยคืออย่างเงี้ยประเภทอย่างเงี้ยนะศักดิแต่ว่ารู้เท่านั้นแห ะ, ะ, ะนนะไม่ได้รู้จริงเพราะถ้ารู้จริงเนี่ยมันต้องมันต้องแบบรู้อริยสัจอย่างเงี้ยคือคือเห็นทุกข์ได้เลยรู้และเห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ไม่อยากให้มันมีไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับเราอีกถ้าเป็นเป็นพวกอกุศลน่ะ น, นะไม่อยากให้มัน มัาเป็นอกุโสลกรรมเกิดขึ้นกับเราอีกเลยแต่ถ้าคุณรู้จริงเนี่ยคุณชัดเจนนะคุณรู้ไปแล้วโอ้โหคุณจะกลัวคุณไม่อยากให้มันมาเกิดกับเราอีกเลยแม้ว่าบางทีไม่เก่งเนี่ยมันก็อาจจะบ่อยครั้งหน่อยที่เราพ่ายแพ้มันแต่ รับรองได้เลยทุกครั้งที่เกิดขึ้นคุณก็ทุกทุกทีอะแล้วลยิ่งบ่อยครั้งมาก เ, าเท่าไหร่คุณยิ่งทุกหนักขึ้นเรื่อยทุกหนักขึ้นเรื่อยไม่มีว่าทุกน้อยลงไม่มีเพราะยิ่งถ้าคุณรู้จริงเนี่ยแล้วคุณไปทําอะไร ท, ที่ที่มันไม่เหมาะไม่ควรตามที่คุณรู้ว่าไม่ควรทําอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้จริงนะคุณยิ่งไปทําเท่าไหร่ทุกคุณยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยแล้วมันจะป่วยง่ายว่ามันจะทรมานทรมกรรม บีบคั้นหัวใจเราอย่างมากเลยเรียกว่าคุณจะทำไปด้วยความรู้สึกที่ปวดร้าคุณจะไม่อยากทำเลยมันกลายเป็นว่าคุณต้องฝืนใจทำนะถ้าคุณรู้สัจจะจริงแล้วมันต้องฝืนใจทำพูดไปแล้วมันเหมือนกับพูดเล่นๆ น, นะ ส, สมมติว่าใครกินมื้อเดียวมาได้สบายแล้ว มาได้จนเป็นปกติเป็นความเบาเป็นความธรรมดาของคนนั้นแหละปกติเนี่ ย, เ, ยเป็นศีลของเราไปแล้วสบายมากเลยถ้าให้ไปกินสองมือสามมือต้องฝืนใจ <c oughs> ต้องฝืนใจไปทํานะคุณต่อให้บางทีเจ็บป่วยด้วยคุณยังต้องฝืนใจเลยอาตมาเนี่ยป่วยมาเนี่ยนะเขาก็ หมอก็บอกไม่ได้ต้องกินจะให้ดีต้องสองมือ้อสามมือ้อต้องฝืนใจนะกินถึงบอกว่ากินไปเนี่ยยิ่งกินก็ยิ่งเอมันไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายกายด้วยนะมันมันผ่านไปไม่ค่อยสบายกายด้วยนะมันรู้สึกมันอึดอัดมันโอ้โหมันลำบากเนี่ยคืออาตมาถึงพยายามบอกว่าถ้าคุณรู้สัจจริงเรื่องไหนนะ ยิ่งถ้าเป็นกิเลสแล้วเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยอาตมารับรองกับคุูได้เลยสภาวะเนี่ยต้องเกิดจากคุณทุกครั้งที่คุณทําเนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่าฮิลิโอตปะเนี่ยมันจะละอายจริงๆแล้วมันจะเกงกลัวจริงๆริงรู้ไหมฮิลิ <S <S และโอตปะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมะของอะไรของอะไรของเทวดาเทวดาหมายความว่าไ ง, ง ผู้ที่มีใจสูงแล้วนะเป็นจริงๆคุณคนที่มีจิตใจสูงแล้วเนี่ยไปทําอะไรไม่ดีอย่าว่าจะไปทําเลยไปคิดอะไรไม่ดีเนี่ยยังโอ้โหเราคิดอย่างนี้ได้ยังไงมันจะรู้สึกเลยนะว่าเพราะโอ้โหเราดิทาไมมันเลวอย่างนี้ทําไมเราแย่อย่างงี้ไปคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคิดอย่างงี้มันคิดเลวคิดร้ายนี่ยคิดอกุศลนี่ อยปวดนะคุณอาตมาถึงบอกว่าถ้าคุณมีของจริงแล้วนะคุณจะไปแค่คิดไม่ดีคุณแค่พูดไม่ดีหรือคุณไปลงมือทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็หยาบขึ้นไปเรื่อยๆนะและยิ่งทําหยาบเนี่ยคุณจะยิ่งทรมานตัวเองนี่สําหรับคนที่เป็นเทวดาพวกที่เป็นผีนี่ไม่ต้องพูดถึงพวกผีนี่ชอบผีชอบอะไรอืม พวกผีนี่ชอบอะไรชอบกินเครื่องเส้นหรือชอบอะไรบ้างพวกผีเนี่ยเนี่ยพวกผู้ผีปีศาจเขาก็ามาเรียกกันนะนะจริงๆผีเนี่ยถ้าโดยผู้ทีเจ้าท่านตรัสเนี่ยท่านตรัสไว้ผีก็อย่างหนึง่งเทวดาก็อย่างหนึง่งมนุษย์ก็อีกอย่างนึงอะไรเงี้ยถ้าผีเนี่ยท่านก็หมายถึงว่าคนที่มิจฉาทิฐิ คนที่มีความคิดเห็นที่พูดง่ายว่ากับตาลปัดกับความเป็นจริงของสัจจะของโลกเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นสุขเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีอะไรเงี้ยนะเห็นอะไรนะเห็นหัวเป็นเป็นเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะกับตาลปัดแต่ถ้าคนที่เป็นมนุษย์มีจิตใจประเสริฐขึ้นมาเป็นเทวดามีจิตใจสูงขึ้นมาเอ้า เขาเห็นตามความเป็นจริงรู้ว่าอ้นี้มันเลวเขาก็ยอมรับว่านี่เลวอันนี้มันดีเขาก็ยอมรับว่านี่ดีไม่มาแบบว่าเอากิเลสตัวเองเป็นที่ตั้งหรือว่าไม่มาเอาความชอบหรือว่าความชังอะไรส่วนตัวเนี่ยเอามาบิดเบือนความเป็นจริงนี้ไม่มีจะมองโลกตามความเป็นจริงไม่มองโลกตามใจตัวเอง เพราะนั้นพอเวลาอะไรที่ไม่ดีเนี่ยบอกแล้วคิดไม่ดีหรือว่าพูดไม่ดีออกไปโอ้โหเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเลยจะสบายใจได้มีอยู่อย่างเดียวท่านะั้นคือคื อ, ค อ, ค อ, คอต้องต้องแก้ต้องแก่นั้นต้องเลิกอันนั้นให้ได้ถ้าตาบได้เลิกไม่ได้ก็ทุกข์อยู่ทรมานใจอยู่อย่างนั้นแต่พวกผีนี่โอ้โห น่าได้ทำสมใจอย่างนั้นยิ่งมีความสุขเพราะผีเขาเข้าใจอย่างนั้นว่ายิ่งได้ทำอย่างนั้นยิ่งเป็นความสุขเกลียดใครแล้วคนที่เราเกลียดเนี่ยเขายิ่งมีอันเป็นไปหรือเขายิ่งเดือดเนื้อร้อนใจโอ้โห ย, ยิ่งมีความสุขไปรักใครชอบใครคนนั้นยิ่งมาเอาอกเอาใจเราคนนั้นยิ่งมาแบบว่า ทำตามใจเรามากเท่าไหร่โอ้โหยิ่งมีความสุขนี่สาหรับพวกผีจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนที่มีจิตใจสูงขึ้นมาแล้วไม่เลยเพราะบอกแล้วว่ารู้อย่างบางทีบางคนมาเอาใจเราเนี่ยคุณอย่าคิดว่าคนเอาใจเรานี่เป็นมิตรเราทุกคนใช่ไหมบางคนเป็นศัตรูเราก็ได้หรือว่าพูดง่ายว่า คิดร้ายกับเราก็ได้แต่เขามาแกล้งเอาใจเราก็ได้เขามาแกล้งทําดีๆ ด, ด้วยอะ่ะก็ได้นะแล้วคนประเภทนี้พุทธเจ้าท่านกระตัดว่าเนี่ ย, มยไม่ใช่มิตรนะที่จริงแล้วคนคอยมาประจบคอยมาเอาใจต่างๆกันนะพวกนี้ไม่ใช่มิตรเพราะว่าเขาไม่ได้มีจิตใจที่มันอะไรอะบริสุทธิ์หรือว่ามีความจริงใจจริงแต่เขาแกล้งต่างหาก เขแก้งมาทําดีๆ ด, ด้วยบางทียิ่งยิ่งเอาใจเราแบบรู้ว่าเราชอบกินอะไรรู้เราชอบดูหนังอะไรเราชอบฟังเพลงอะไรโอ้โหไปพยายามหามาให้เราแต่หามาให้เพื่ออะไรจะต้องมีผลประโยชน์อะไรอยู่ก็แล้วแต่ว่าจะหวังผลประโยชน์อะไรจากเราเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มาประจบเอาใจพุทเจ้าถึงตัไม่ใช่มิตรไม่ใช่มิตร แต่ว่าคนที่บอกนะนะคนในโลกนี้ถ้าเขาไม่รู้สัจจะความจริงพวกนี้เขาจะชอบน ะ, ะคนอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าก้างขวางคอคนที่อะไรนะพอเราจะพูดอะไรก็ชอบมาขัดใจเราชอบมาอะไรอะ่ะฝืนให้เราฝืนใจอย่างกอกย่างนี้อยู่เรื่อยเลยคน ท, ทั่วไปเ้าไม่ชอบหรอก เออบอกโอ้อย่างงี้มันขัดความสุขฉันฉันไม่ชอบแต่คนที่รู้สัจจะคนที่รู้ความเป็นจริงว่าไอ้ที่บางทีเนี่ย โ, โหเขามาว่าเราบ้างหรือบางทีเขามาอะไรอ่ะแนะนําเตือนเราว่าอย่างนี้สิดีกว่าอย่างง้อเนียอย่างง้อนันไม่ดีหรอกอย่าไปทําอย่างง้อน่ะทํางงทอย่างนี้ดีกว่าแต่โอ้โหมันขัดอกขัดใจเราเหลือกเกิน แต่คนที่รู้สัจจะนี่อย่างนี้แหละมิตรของเราอย่างนี้แหละคือยอดมิตรด้วยซ้ําไปแต่ตรงขัางข้ามใช่ไหมสำหรับคนโลกโลกเนี่ยถึงบอกว่าเขาคิดอย่างนี้เขาคิดไม่ออกหรอกคิดให้ตายยังไงคิดไม่ออกเพราะว่าบอกแล้วว่าผีเนี่ยจะคิดตรงังข้ามกับเทวดาคิดเลยจะฟ้ากับดินนะถ้าเปรียบแล้วฟ้ากับดินเลย ตอนนี้กลับมาพูดตรงที่เรียกว่าถ้าเป็นเทวดาเนี่ยเราจะมีหิริและโอตะปะมีความเกรงกลัวมีความระอายเพราะเรื่องไหนตอนนี้ถามใจตัวเราเองนะแต่ละคนนะเรื่องไหนเนี่ยเรารู้ว่าอย่างเนี้ยดีเราควรทำเรื่องไหนอย่างนี้เลวเราไม่ควรทำรู้อยู่แก่ใจเราไม่ต้องมีใครบอกแล้คราวนี้ เพราะคนอื่นบอกก็เท่านั้นแหละบางทีถ้าใจเราไม่ยอมแต่ตอนนี้ไม่ให้คนอื่นบอกเลยเราสามารถบอกได้เองเรามีความรู้เราได้ฟังธรรมหรือเราได้ศึ ก, ศกษาธรรมะเรารู้เลยว่าอย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทำเรื่องอะไรก็ตามเรารู้อย่างนี้แล้วแล้วเรายังพยายามทำเฉยเฉยพยายามทาเฉยเฉยพอไอความรู้สึกว่าแหมมันน่าอายนะ มันน่า ก, กลัวนะ่าจะเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยจริงๆบอกแล้วนะอันนี้เป็นอัตโนมัติถ้าคุณเป็นคนดีจริงคุณเป็นคนที่มีจิตใจสูงขึ้นมาจริงเนี่ยคุณรู้ว่าอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วจะให้คุณไปทําเนี่ยความรู้สึกเนี่ยสภาวะจิตจแบบนี้จะต้องเกิดขึ้ น, นทันทีให้คนดีๆเนี่ยนะไปทําร้ายใคร ย, ยากมากๆเลย โอ้โหต้องฝืนใจต้องโดนบังคับต้องโดนอะไรอย่างมากเลยถึงจะแบบว่าไปทำเนี่ยเผลอๆเนี่ยไม่ยอมทำแบบยอมตายยังจะดีสกว่าอันนี้สำหรับจิตของคนที่รู้สัจจะจริงแล้วเพราะว่าอะไรเพราะรู้ว่าถ้าไปทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหใจเรานี่มันจะทุกข์ทรมานมากเลยแล้วจะทรมานไปเรื่อยนะทรมานไปตลอดเลยจนกว่าคุณจะ แก้สภาวะจิตอย่างนี้ได้หรือว่าคุณเลิกคุณทิ้งไอ้พฤติกรรมที่ไม่ควรไปทำนั้นได้หละคุณถึงจะเออค่อยเบาใจขึ้นมาได้ค่อยสบายใจขึ้นมาได้ยกตัวอย่างง่ายๆไอ้วันนี้ใช่ไหมวันไอ้ที่เขาไอ้กสูบุรีโลกอะวันนี้ใช่ไหมอืมอย่างเช่นเนี่ยเอา ง, ง่ายๆเนี่ยถ้าพวกที่เขารู้เขาเข้าใจสัจจะอันนี้นะพวกที่ติดบุรีอะ ถ้าเขาเข้าใจอันนี้แล้วเนี่ยแม้ว่าเขาเคยติดมานะเขาาสูบมาอย่างเงี้ยแต่พอมาเขาเข้าใจประเด็นพวกนี้ปั๊บรู้รู้ทุกอริยสัจรู้ความจริงว่าสูบแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้เขาเห็นชัดเขาเข้าใจอย่างถูกต้องตรงจริงเลยรับรองเลยคราวเนี้ยเขาจะไปสูบบุหรี่เนี่ยไม่อร่อยเหมือนเดิมด้วยและทุกครั้งที่สูบก็ทุก ทรมานทุกครั้งเลยทุกทางจิตเนี่ยก่อนเลยนะทางกายจะป่วยเจ็บเป็นทุงลมโป่งพองหรือเป็นอะไรนะั้นไอ้นั้นไม่ต้องพูดถึงอนะ่ะทางกายอ่ะอันนั้นมันมันมันง่ายอยู่แล้วแต่ทางจิตเนี่ยก็จะทุกข์มากเลยเขาจะโอ้โหทุกครั้งที่มันเหมือนกับว่าฤทธิ์ของความเคยชินฤทธิ์ของความติดมาที่จะต้องให้ต้องสูบต้องสูบเนี่นะบางทีมันมีฤทธิ์ทําให้คนเนี้ยโอ้โหในที่สุดก็ สู้กับเอลิทสารเสพติดพวกนี้ไม่ได้อะก็เลยต้องต้องไปสูบเงี้ยหรือต้องไปเสพยาพวกนี้แต่ถ้าคุณรู้สัจจานะเนี่ยขณะที่คุณโหจุดปลีคุณจะเสพเนี่ ย, วยกว่าโหคุณต้องสู้กันอะไรอะทอรมานเลยเพราะว่าจริงจริงจริงจริเนี่ยมันไม่อยากจะทำเลย แต่พอมันสู้อํานาจของไอสารเสพติดเนี่ยไม่ไหวมันก็เลยต้องต้องเสพเพราะว่าไอร่างกายมันทรมานไงแต่ประเด็นเนี้ยเคยมีคนถามพ่อท่านว่าเอ๊ะถ้าเป็นพวกที่ติดยาเอาหนักๆเลยพวกติดเฮโรอีนอะไรพวกนี้เลยโดยเฉพาะคราวนี้เขาสมมุตินะเขา ตั้งคำถามไปถามพ่อท่านแล้วให้พ่อท่านตอบบอกว่านี่ถ้าพระอาหารหันเนี่ยนะบรรลุแล้วไม่ติดอะไรในโลกนี้แล้วเพราะฉะนั้นจับพระอาหารหันเนี่ยมาฉีดทุกวันเลยฉีดให้พระอาหารหันทุกวันเลยฉีดทุกวันอะ่ะฉีดสักเดือนหนึ่งหรือฉีดสักปีหนึ่งเอาฉีดทุกวันเสร็จแล้วพอถึงกำหนดปั๊บหยุดหยุดหยุดการฉีด นะคำถามก็คือว่าพระอาหารหันเนี่ยจะติดยาไหมคําถามฮะอ่าคือโดยสรีละโดยร่างกายเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกถ้าคุณโดนป้อนโดนป้อ น, โด น, อนโดนป้อนอย่างเงี้ยนะหรือเอาง่า ย, ายๆเอาพระอาหารหันมาอดข้าวคุณว่าพระอาหารหันจะไม่ผอมมงไง <c oughs> ฮะอดข้าวอดน้ําก็ผอมแน่ เรียลแรงก็ต้องหมดลงไปแน่เพราะอั น, นี่มันทางทางร่างกายเหมือนกันเล่นโอ้โหฉีดย้ายทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทางร่างกายมันอาจจะมีผลแต่รับรองเลยว่าหยุดฉีดเมื่อไหร่เนี่ยนะแม้ว่าร่างกายของพระอราหันต์นี่จะทุกทรมานนะโอ้โหเพราะว่าฤทของสารยาเสพติดมันมีมันก็อาจจะทําให้ท่านเกิดเวทนาเกิดไม่รู้ล่ะอาตมาก็ไม่เคยติดนะนะ ก็ไม่รู้มันอาจจะร้อนร้อนหนาวๆนาวหรือมันโหยหาไอ้แบบแบบร่างกายเนี่ยคือมันต้องการสารพวกนี้เข้าไปอีกเพื่อที่จะให้สงบระงับลงนะทางกายแต่ทางจิตเนี่ยเลิกวันไหนวันนั้นไม่ติดเลยไม่ต้องการเลยด้วยทันทีเลยไม่มีผลทางจิตกับพระอรหันต์เลยเพราะบอกแล้วว่า จริงๆนะ่ยไม่ต้องการเลยด้วยซ้ําอยู่แล้วไอ้ที่ฉีดเนี่ยโดนบังคับโดนพูดย่ายงว่าโดนทารุนโดนอะไรเพื่อที่จะให้ท่านติดให้ได้แต่ยังไงท่านก็ไม่ติด mm hmm. เหมือนพวกคุณนะ่ยอันนี้ยกมาเปรียบที่ที่คุณจะเห็นสภาวะอันนี้ได้ชัดเจนด้วยตัวคุณเองนะ mm hmm. อย่างเช่นถ้าใครเนี่ย mm hmm. เลิกกินเนื้อสัตว์มาได้จริงแล้ว คุณมีจริงนะคุณมีสภาวะนี้ของจริงคุณถึงและวคุยง่ายคุณถึงนิพพานแล้วเรื่องเนื้อสัตว์อ้าวคุณก็เป็นอรหันต์ในเรื่องเนื้อสัตว์ถูกไหมถ้าคุณนิพพานในเรื่องเนื้อสัตว์จริงคุณก็เป็นอรหันต์ในเรื่องเนื้อสัตว์เพราะนั้นต่อให้ใครเนี่ยจะมาอะไรนะเอาเงินเป็นร้อยล้านพันล้านให้คุณเลิกกินมังสวิรัติเลิกกินเจซะแล้วให้คุณมากินเนื้อสัตว์ร้อยล้านพันล้านคุณไม่มี ผลเลยที่จะมาให้เลิกกินอันนี้เพราะมันมันไม่ได้มีคุณค่าไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเท่ากับมรกผลที่คุณทำได้อืมหรือยิ่งคราวนี้รู้แล้วว่าเงินฟาดหัวคุณไม่ได้จับคุณมาขังเลยแต่ละวันแต่ละวันก็พูดง่ายว่าเอาเนื้อสัตว์มาให้คุณทุกวันทุกวันบอกไม่กินก็อดตายนะไม่ไม่กินเนือเนื้อสัตว์เนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคุณคุณจะทำไงรักษาชีวิตไปก่อนแหละ <c oughs> กินถ้ารักษาชีวิตไปก่อนก็กินแต่จิตอย่างนั้นนะ่ะมันมันไม่ใช่จิตแบบอรหรันต์คือถ้าอารหันต์แล้วเนี่ยบอกคุณเลยแม้แต่เรื่องตายนี่มันแหมมันเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเลยพระพุทธเจ้าถึงตรัสนะว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านจะไม่มา ละเมิดศีลละเมิดวินัยอะไรของท่านท่านจะไม่ทํท่า น, ท, ท, านท่านยอมตายถ้ามากกว่าที่จะมาอะไรอะ่ะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะแบบว่าละเมิดศีลให้ผิดของตัวเองเนี่ยอเพราะถ้าคุณนิพพานในเนื้อสัตว์จริงนะว่าว่าไม่กินอีกแล้วไม่ติดไม่ได้ยินดีในเนื้อสัตว์อีกแล้วเนี่ยรับรองเลยยังไงคุณก็ไม่กิน ไม่กินรับรองนี่นี่กาลังพูดแบบ阿拉หันนะท่าท่าสภาวะจิตเป็นแบบ阿拉หันรับรองยังไงก็ไม่กินยกเว้นจิตคุณฟังดูให้ดีนะถ้าคุณคุณพอจะเข้าใจที่พ่อท่านเคยเทศเทศมาเนี่ยคุณฟังที่อาจมาพูดตอนนี้คุณจะเข้าใจเลยอ๋อมันอย่างนี้นั่นเองถึงกินบอกแล้วถ้าจิตคุณเป็น阿拉หันเนี่ยคุณไม่กินหรอกคุณยอมตายดีกว่า เพราะว่ามันเรื่องเล็กตายเรื่องเล็กแต่จะให้มาผิดศีลผิดวินัยของคุณให้คุณมากลายเป็นเดียกว่าต้องมากินเนื้อสัตว์ไปอีกอะ่ะคุณไม่กินหรอกอันนี้คือจิตแบบอรหันเลยยกเว้นว่าคราวนี้คุณไม่ได้คิดแค่เป็นอรหรันคุณคิดยิ่งกว่าที่จะเป็นอรหรันยิ่งกว่าเป็นอรหันเป็นอะไรคือยิ่งกว่าเป็นอรหันธรรมดาเนี่ยคุณจะเป็นอะไรอืม คุณจะไปเป็นพระเจ้าไงคุณไม่เป็นแค่แค่พระอรหันตธรรมดาเพราะนั้นจะไม่ยอมตายง่ายๆแล้วกรนีติดแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยต้องรักษาตัวเองให้อยู่เพื่อที่มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทำให้ยิ่งกว่าอารหันตธรรมดาคือเป็นอหละ เป็นผู้เจ้าสิแตย่ยังไม่ได้เป็นผู้เจ้าเนี่ยเป็นอะไรไปก่อนเป็นโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นจิตของโพธิสัตว์นี่จะไม่ใช่แบบอาณาหารนะไม่ใช่อารหารธรรมดาแล้วเพราะฉนั้นบางทีจะรักษาชีวิตไว้เพื่อที่จะแบบว่าอยู่เพื่อที่จะสร้างประโยชน์เพื่อที่จะอะไรอ่ะทั้งทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งคนอื่นให้เพิ่มยิ่งขึ้นไปอีก แต่ถ้าจิตแค่อรหันเนี่ยจบแล้วคุณสบายแล้วนี่อาตมาต้องบอกตายขี้ประดิ๋วเลยเรื่องเล็กเรื่องตายอะยิ่งชอบใหญ่เลยตายแล้วก็จบแล้วนียิ่งร่างกายก็หมดสิ้นเงี้ก็ยิ่งสบายเลยไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเกิดเรื่องอะไรอีกโอ้โหสบายมากๆเพราะฉะนั้นจิตแบบอรหรนันนี่ไม่กลัวตายหรอกคุณ มันต้องบอกเรื่องตายนี่เรื่องขี้ประติ๋วมากเลยเรื่องเล็กนะถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้ลหละคุณจะรู้ว่าอ๋ออมันต่อเนื่องกันไปยังไงทำไมถึงบางทีต้องมากินทั้งนั้นที่บอกแล้วคุณต่อให้โดน บ, บังคับต่อให้โดนอะไรเนี่ยนะไม่จำเป็นเลยไม่ต้องอื่นไกลนะไม่ต้องพูดทางาศาสนาพุทธก็ได้คุณดูซิอย่างพระเยซูเนี่ยท่านกลัวตายเลย ตายทรมานออกใช่ไหมโดนตึงไม้กังเขนโอ้โหโดนเอาลิ่มตอกเอาตะปูตอกมือเท้าเนี่ยโอ้โหทรมานจะตายไปแค่คนกลัวเจ็บแค่คนกลัวทรมานนี่ก็ยอมยอมดีกว่าแต่ไม่นะจิตของคนที่มีมีสภาวะจิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเนี่ยบางทีโอ้โหจะทรมานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ท่านก็ถือว่าทรมานก็ทรมานเจ็บก็เจ็บไม่ใช่ว่าไม่เจ็บน ะ, ะเจ็บเหมือนกันนะไม่ใช่แหมเป็นอรหันต์แล้วนะโดนตีหัวก็ไม่โนโดนมีดแทงก็เลือดไม่ไหลไ ม, ไม่ใช่นะอันนั้นน่มันเป็นเรื่องพูดกันไปตามเรื่องตามราวอะไรต่างๆก็คนธรรมดาเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าก็ยังห่อเลือดยังโดนอะไรอะ่ะ เปียบป่วยอะไรก็บางทีก็ลมหมอนอนเสืออะไรเหมือนกันเนี่ยแหละไอ้ผู้บอกทางกายเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่จิตนี่สิยิ่งใหญ่ถึงบอกว่าจิตที่คุณมีสภาวะจริงแล้วโอโ้โหยิ่งใหญ่มากเลยแล้วมันไม่กลัวเลยสมัยต้องบอกเรื่องเล็กไอ้เรื่องตายเตยเนี่ยยิ่งบอกแล้วยิ่งจิตแบบอรหันเนี่ยพูดง่ายๆว่าเอาจบลูกเดียวอะ คือไม่คิดจะต่ออะไรอีกแล้วเอาจบรูปเดียวนี่นะคุณยิ่งจบเร็วเท่าไหร่ยิ่งสบายเร็วเท่านั้นยิ่งจบเร็วเท่าไหร่ยิ่งสบายเพราะว่าอะไรเพราะมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังต้องต้องกินต้องนอนต้องทายต้องเจ็บป่วยคุณว่ามันสบายนักหรืออย่างนั้นนะ